ที่ช uh, uh, ิบจคอสังไรนี้เพราะขาขอมให้เรียนลข่าอะไ่าอะไ่ไเด็กิบหาไว่าอะไ่าอะไรเรียนเฮี้ยนเสียเฮียนเรียนสา้นชสั้นไผก็บพเคียงกันพระเจ้าห่อรนอก็จะเ้าห่อไปประสบการณ์ว่าไะไจากมามาสอนห่อปตบการ่าอะไพระพฤติกรเมว่าอะไรว่้อะไรต้องรู้ คำสอน奶奶มันจะทอคาสอนพระเจ้าห้ามมเนี่ยอกพระพุทธเจ้าหอสอนทั้งโลกสอนสั้งถ้เป็นสอนโลกจงทรงพระหน้าว่าโลกวีทู่เป็นครูอยู่แจงเส่งโลกจงทรงพระหน้าว่าสัทธาที่องโสานาู่้สอนของเจวาดาแลวมนุทั้งหลายจึงทรงพระนาว่าเป็นเศตบุญของโลกทั้งพระพุทธพระถ้พระสงฆ์มัต้องเศษบาของโลกไม่ขนานคาสอนอะใครจะสอนเก่งมาได้กับตกับบรทอคาสอนพระพุเจ้าอก พำสอนขพุทธเจ้ามันเป็นดิ่งของโลกคันโลกต่างกฎหมายปีนคาสอนงพเจ้าไปตลอดอันสอนอันว่า่มุ่ยว่ า, า, ามาีบุญนี่ยปีนคาสอนพระเจ้าเนี่อันคุณพอคุณแม่่ามีก่กปีนคาสอนพระเจ้าเนี่อันว่าเรียกพระบัตด้วยก็เสห้างมันข่เกียริรนี่ก็ปีนคาสอนพระเจ้าเนี่ยบอกสัตวเออบอกกินเราเม้ายานักเล้งงิงเล้งเลงสุราล้งเล้งเรียนากพนค่นเา่นเป็นเมตบนปีนคาสอนพระเจ้าท่านั้นละพระพุทธเจ้านี่ประสบมาวัดหลายชางแต่มาสอนเขาโดนบ่าแตประสบ ทางไมันดีเพื่อนับสอนมูฮั่าทางไดนมันจะเริ่อนเจะสอนให้มูฮั่นสืบไว้ทางไดนมันมัจริญเพ่นกับสอนให้มูเห้นเหนจ้างว่าจะเป็นที่เพิงห้องโลกได้กระสางบาเมีมาที่อาทรงขยแสนมหากับยางปัญญาทิกะสัท่าทิกระก็แประอสทรขยวิยาทิกะกับสงอขายก็บอบ่มีข้อมประสงค์ไงขอมประสงค์ซีรอซัดออกจากควมหิตจะของอยูะ คมันไปพญพามาหด้บาดเดียวกันไปพักยูมนุสบบัดไปมาครับคันนพักมนุสบบัดแตไปพักกูสวรรษบบัดนะพักกูพคนก้มสมหัตินี่ยเราก็จสิไปพญพาลกนยังดีกว่าที่โลกน่หกจุ่มตุ่่มต่าจากองเจ้าเปนจากสร้างบารมีมากยอเสียสละมากมีสไมัชิพไนมัสละไรนะอะไรก็วเหตุหน้างึงมีเงินหลายล้าน ไปเรนเจเล็กไปเรียนเจเล็กพ น, เ, นเขาเขาลงนะั่งสือพิมพ์มากบดหลอดหลอกบ่มีผ่าทายห่อนบ่มีผ่าทายไปนอห น, นี้นำ้ำไต่ห่นนนอนพอมัอน้ำหกสมบูรณ์หมไปท้งไรนั้นปุ๋ยพึงพึ่งแั่ไม่ว่านบินนำ้ำเดียวมันบ่ไม่ผ่าทายเงินหลายล้านเลยเรีนเจเล็กบัดหลอดหลอดลงอาบด้ามเลยลงทั้งทั้งผ่งาเลยทั้งผ่านุ่งเลยกัเงเกงนุงเลย หินนุงอะไรมันวุมีแนวไายขึ้นมากปั่นค่าตัวอโรถปัดผาฆ่าเครื่องอรรถนั่งอาจารย์นะอาจารย์เขาไปจับไฟอาจารย์เพิ่งปรเทศไทยมันห้อนแล้วจะมาจับอี๊เพิ่งมาขนานั่เขาไปเลีนเขมันจีบหายแตอาจารย์เพิ่นบอกไปจะสมัคเรีนอี๊ยดแต่นเห่าซื้อปลามาให้ลูกกินเห่ามันแพงเห่าไปยังเห็นนีงเห่าซื้อนั่งมามันแพงเห่าไปเห็นอันซื้อเลขในบ่อใดยัง เข้าสื้อของแพงว่าเขาเห็นของเด็กเข้าสือแนวอื่นเข้าไปเรียนเรืกยเมื่อไยังเรียนบวกเรียนเบียคือกันบถ้ามันง่อยเข้าเศ้าเราบอกเรียนเรื่อเรียนบวกเรียนเบียรตายตายตายตายตมึงมาไปเรียนของเขาตัวก็ไปเรียนนอแน่วเข้าบ่าเรียนได้นอแนวเขา เทาแก้วเท่ากันที่เท่าเอนว่าจะเห็นเลเนี่ยทาแก้วเทากันที่เทาเอ็นเนี่ยเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่าไม่เท่าทั้งดีเท่าสิงกขามเห็นเออก็ดในหัจับประวัติอยู่ด้วอืมชุดเอ็ดขวดนั่นไ อีนั่นมาทามมาเียงเขาอีลูกไผอีลูกไผ่อีเมี่ยบกุ้ยเน่ยนองบกเสาเน่ะน่องบกน้อยเขาเอ็นจะบกน้อยดอกนั่นมาเชียงเขาฮะเชียงบ้านใดด้ยเนี่รูปูสัตว์ฮะเทียบ้นได่ะเอใช้มั่นะเราได้ยินเขาหรือเปล่อเออเขาโม มันมาเถียงเข้าเข้าเขาาให้มันเทศฟิโสดก็ฟีเลนี่ยเอาได้ไหมันกันมึองว่ามึงได้ไันกุฎิถามมึงมึงจะค้ากูด้วสันเาว่าหน้าให้หลวงมึงไปใช้ไันห้าสวนหลง่ามมึงไปใชวันหน้าให้หลวงมึงขานมึงเอาไว้ก็บระตัพกราดหนึ่งท so> ี่สองาบมึงขายเยอนี้ว่าเออหน้าให้หลวงมึงไปใช้สวนหวงงามมึงเก็าไว้มึงก็จะขายลายอยู่หันว่าเออ เงือนมื่องนี่ว่าเฮ็ดสมือนี้เงือนมึไงไปใช้ที่ดินเฮื่อนมึแล้วก็เงือนมึงสองหลังแล้วก็เือนขั่วอีกร้งนึงแล้วก็เล่าซีหองว่าสั่งกับที่ดินอีกเง่อนชัวชัวลาดนึงไปเฮ็ด่ได้สูมือนี้ว่าสั่งท่านไปใช้ท่านเือนมื่อเมื่อว่าเมึ่ไงวะม่เฮ็ดไม่ยูตูบดินแง่นบอกว่าจะม่มึงลวยเรีกแล้ววะมึงแยูตูบขี่ดินเดียวนี่ว่าว่าเ็จะี่ เอ๊ตุกงาตุกยตุกงาตุ๊กยูตุ๊กาตุ๊กตุกงาุกตกงกตุกก็ตุกาก็ตกางาตุรกยาตุ๊ยุกงาตุ๊กยุกงอยูุ๊กงุกยูตกก ่องนั้นได้ฮะเยเรือ่อไปยกชายกาสมมติปากันอันนี้กรุงเทพนี้ฮะนี่พอกินด้วยบ่เอเอไม่ได้นอนน้ำฉนวนรองน่ะอเออเออแปดเดีวแค่เสื่ อ, อเศร้าพอแเสื่เศร้าอะไรเยอะมากพอกต่จริงจริงเออ เอเ อ, ม, ม, อมันสมากันเขาเลนาะอืมเอ่อมันขยายอำเภอได้เนาะเจ้าของมันมเจอำเภอเมืองอะไรอำเภออะไรอำเภอด้สุมสมากอำเภเมืองเนาะอำเภอเมืองเส่มาอย่างั้งยแ่นพอรอปีกระจายดอกนะอันได้ดีในภาคันเห็ดคัง้งาคพืชภาคำสง ข้อาออกไปนัปน่บานไหนจนมาพัฒนาฐานทีไม่น้อยอไปไปกอกไปไหวไม่น้ก็เอาบาไดต่องแบงเว้นาถาวาหน้าพูดโท่นรักษาสีหนึ่งิ้นหาสิ้นแปลกตามทุที่กาลัางของขา้าทบที่ข้าที่ทำใดแนวทีเอาไปอะไรก็มีท่าชินาวหน้าท้าไม่เอาจะเอาไปไอาาไะอไรลูกหลานเอาไปนั่บาไหาต่องแบงเวลหาเฮ็ดมือนึ่งมือนึ่งข้าเลเฮ็ดบุญอีหยังแวดเบืองหรือข้าคือท้าถึงแกซื้อเรศหนวดมีกวดพกเจ้าของ เีอนโ ม, ามาสัจจะว่าข้อนี้คือถึงอันนี้ อ, อ, อ, อาผลพ้นบุญม า, าหรือเขาคือจำเจลิกสาระนั่งกับสามีนั่นจะกวดปึ๊กจะคล้องเบอกอุ้ยาคือจำเจลิกสาระนั่งกับสามีหอดมือคําเราเข้ากรลุกคนนี่นโมสัจจะว่าหมอ่เข้าเนเตุหมู่เง้ายุทฮะใจเด็ดนอ เออไปเร็กเนาะเออแปร่คนเนาะดูว oh, ิสมุนเนาะโอ้เขาคนเมื่อวานวิสมุนเอาลังสารมาใส่บาทให้พอสุกเขียนในหนังสือเกิดว่าพบได้สั่นได้ให้เกิดให้ได้เกิดน้ำพอลอ้ยกูกับฟ้าแม่มันจะโดดแล้วมันก็ะมาสร้าง ศาสนาจะเกิดน้าปูแท้ว่าสันเข้าเกิดดวมันกะแทกทีมันถี่เฉียดมันสมาบกี้กว่าสันเข้าี่สมุนเกิดพบได้สดัตว์ขอให้แด้เกิดน้าพ อ, อันเพราะน่าเอยกว่าสันเข้ากับบวชมาแล้วนะเข้าคืนวาสิพนทุกคนได้รู้เลยบ่ได้วา่าจะมาเกิดอีกแล่วสันนั่น ถ้า ห, หวังว่าสีคนทุกคนไ ด, ได้นางเลยสันทำประมาณเสี้ยวมาเกิดอีกได้ดูใกล้เลาสันตัวประปัตนาพระนิพพานบอกว่าสันตัวเสมะเสิ้ยวปัตนะม า, เ, ะมาเกิดอีกอู้มันทุกข์ทีตายตัวเลยสันเขาวเสวยๆแขนสวยๆนี่คือแม่มันะแม่มันคือพอประยังเลยแม่มันก็ได้ลูกผู้อันผู้นี้มัคือพอเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเห็นอิสมบุญเขาเขาบอกน่อยกขาบกงงานเขาว่าอิสัมบุญมันคือพอ ่บบอสมบนรณคือพ่ อ, อร้ายก็เขาบอกรวยเขาบอกฮะเอออคือบัตเนี่มนยมนอย่างเงี้ยโรดแ ม, นม่นป่ะเงี้ยคนโรดพี่ห้ามวัดจุบกเลเนี่ยเออจะซักปัญหาลอยไปแล้ว เออที่งฟนห่าหลยดนี่ใช้นี่ใช้ใ ส, สังเวกนั่งนี่ใช้หายงายดตากนาาาั้ตาไร้ง่ายดิเอ้อ่ออน้าตาน้ำต า, ำตาไร้งายจะได้ลงปู๋กันหามเรบรกเบลล์ล้อหลามเรบรกก็รูวกับไปไรละ่ะตาไร น, นั่นแหะภาวนาพุทโธ มาที่แรกปฏิบัติที่แรกส อ, องพันสี่้อยแปดเกแดสิบแปดปเกาแปดสบหก่งนําหลวงพูวันนีาภาวนาอยู่แปดเก็เกอยู่นำ้ำหลวงูวันนแปดสบแปดไปจากพานงน้าเข้มแปดเกามาอยู่หลวงนำ้ำหลวงพูมันนเออว่าถันเจ้าทองเที่วมาในวัดเ้าท่องสาลนี่ถ้าห่อกระดูกเจ้าอย่นี้กับแม่น ข้องพระพุทธเจ้าเจ้ากินเขาเขามันกินเขาพระเจ้าเออันนี้เม็นห้องพระเจ้ามัดเขาไว้ทักพักเดีนึงเขาเอามาท่านให้เจ้าว่าเจ้าระลึกถึงคุณพระเจ้าแ่ะเจ้อยพระวานาคำนั้นร่ำไห้ใจเขาออกมึงดู้ว่าสันเจ้าเป็นคนอากาันด้วยเลยว่าสันเจ้าเพราพะวานาระลึกถึงคุณพระเจ้าว่าสัน อันนกับมัทพระเจ้ามดเข่าเห็นแก่หนาคาคือเขาจังเอามาไห้จีว่านุ่งโยมวันนี้มาสั่นตลอดทั้งมาเขาไม่ทักพักเสียนึงมาสั่นขันว่าอะไรลึกถึงคุณพระเจ้าขันว่าอาคตันรูกับกำหนดร่มหายใจห่อพร้อมพระพุทธเจ้ามองดู้มาสั่นกำหนดหายใจกำหนดร่มหายใจเขาพร้อพระพุท่เจ้าน้ำตาไหลท่นผ่าเปียกพัดสามพันศิลปะจุกอ่าจีวันเปียกพั๊ดนะหลังเปียกผ่าเปียกหล่อ่าน เปลี่ยัดอนั่นแหละมันจะถูเกี้ยงร้ายวัสะนะเขาพูดอย่างเป็นปนิสัยล้วงตาของนี่นะโยบุคคาขอว่าไเดีเรียงมั่ น, นสันมันยังมาถือสมทูตสาเด้วาันขากันนี้จากแม่มัน จ, จะพ่อไงเป็นของวาสันจะพอออกไฟไหม่ๆอัน มันยังมาถือสมถือสาเนี่าวสันมันปิดยังมันยังยังจากมาเกิดมาพออีกรู้ว่าสันชะลอยมันจีชะลอยมันสิตีความหมายว่าแม่มันเนี่เป็นกะละวสันพ่อกูดี่ดีอยู่แม่กูนี่วเป็นกะละพ่อกูจังใดจังใดห่างมันไปชะลอยมันจีว่าจังสันกับมั้งวสันเอาวางพอข่วนเบื้องลวดจะว่าเถ้าเท่าเหี้ยนนั่นลุ้ยอยู่ได้หรอได้เจ้าผัวผัวสามคน เข้ากับมันภูบาวภูที่สองกับมันภูบาวภูที่สามกับมันภูบาวสสันเนาะมิจฉภูบาลขนาดนี้แหละเราเออกได้ลูกคนละเข้าออไปเอากับได้ลูกคนน่อนึงได้อิสมมุนอ่อนอ่อนได้อิสตมุนภูเมรานั่งนี่แหละนะครับถอดเท้าข้าไปกัได้ลูกคนหนึงถอดแกนไปกัได้ลูกคนหนึงสามพอสองสองบอกถอดแกนสองบอก โอ้โหใช่มัดนอโอ้ยังอยู่บรา่ะเลอเดี๋ยวข้าเจาไปหากินใจเลอโอ้ข้าเจาก็สบายอยู่เนาะอ่าเที่ยวสงสารกระป่างพระสมเทาสงสารแม่วันตาสงสารเนี่ยนี่ทั้งหมดไม่หยกพัดผ่ากัน่ผสมะสมจักแนวล่ะในโลกอันเนี้ย เมื่อบ้านก็เขากัมายามอยู่ก็ทเี้ไเมื่อานมยามเลยเอาผ้าะบงมาคล้องผืนเก็เท้าขาท้าข้าวอยู่ป้าแยงไปย้ายสาฝาพี่ไปยายสายปาเล็กย้ายตาม่ได้อะไรเท้า้าวอ่ะได้วัดจ้าสงสารในวันนี้เรสมประสงค์ดอกเกษตราวบานไป้ขังอ่เอ่ ถ้ากันต่างไก่ถ้าวานนาถ้าพอ ร, ราตรีตายดอกไม้เม่อไ่สมปวดสงจะคนดอกไม้รกอันนี้จะไพดีไพชัวเกิดมาใโยกพัากกันทั้งสงองเอาไว้เอาวางกันบอกให้เราฟัง ค, น ค, นคน้นคนคนผู้ใหญ่ได้หรือบนางคนผู้หน่อยได้อรือผู้่าก็ดาข้างลแหลมด่งลำแหลมดูเท้แค่ไหงา น, น, น, น, านมันข้องอดูมันดูช้ามันกัน คือคาได้ห่วมกันไปนเดียวท่านละคือคันว่าท่นมันก็บ่าได้ว่าบวชคือกันละเขามันเทวี้ว่าตายก็ได้ว่ามันบุญบวชมันแห้งด้วยบุญแม่นน่แห้งจะแท้แม่ว่าวงซี่แม่กันตะเกียกูไปดูเหล็กดูพ้าเขาอะไร หม้อหหม้อถ้วยเขาวลูกเจ้านางโยมสับปะทนเด้้ท่านมอสีลายเลยลูกคนนี้ไว้ท่นอนนี้เวลาตุบไปเอาเนี่ยตักเก้ายเวิญยิมาบาทเนี่ยตัวเอามีสองคนโอลูกคนจะเป็นดีเนาะเนี่ยเทวะสองคนไว้่นจะมากลางสับปะท้นนะสับปะท้นอีเหี้ยนกับสับทนอีมอน้่นเออว่า่น เราถ้าอยู่มาอยู่มาเนี uh like hurts, <h <h ่ยกะเทอมก็ตายมาบวชท่านเองน้าบวชอะไรถัาแก้วมายามถักแก้วมายามมายวัดน um ี่มายามถ่าแก้วโอ้ยแม่ก un> ูว่าลูกกูนี่สิยูสะพัดทนมันแมนอี๋ว่าท่นเวลาถ้าหายะแน่นว่าดีขมูขุน่ะเมอ์ลูกพ่อนี่เมยนี่ว่ท่านหน้าจะคนได้่ามั่านว่าท่านนองไอ้จะค้นนะท่นเท่าสิงเท่าทั้งนี้เท่าสิงท่างนี้ก็ตายค่าคาวะ เขาทั้งดีนั่นก็ลูกมุกเค็นไลูกเกคกเก็ดเ็ด น, เนตายลูกขนเป็นด้าวเป็นสาวยี่หนึ่งตายตา ย, ตายข้าพยาบาลเท่าซิ้นกับลูกหาหกนก็ตายัย่งยื่นกรมวลจะผู้ขาเนี่กับเท่าแก้วเขาแหนท่านะเทาแก้วกับเทาแหวนมายำพจะไป ก้อนกันเนาะห้าสามคนไหนน่องไรปสั่งเม่จักไพไปก้อนกันเนาะมันก็ไปเป็นลดับเด้กับเท้าแกกับไปกทยกับไปกย่างมานี่ยมันตนี่ระบาดเนี้ยโมเมอนี่ยมันนทางอลไเด้อเนี่ยขนทางตายมันเปิดจางางอลไเด้อเนี่ยอายุแปดสิบละขนทางตายเปิดเปิดจางฟางขนทางเสียีชีวิตด่งนีตั้งเกยมตัวที่ตายแล้วโทมเมอรเกยมตัวสีตายก็ยังก็มีแต่พรวนทหารท่เกยมตัวสตาย นนนนเนี่ยเออไม่มีแนวหวังอะไรอยงเง้ยอันมู้นหน่อยมู้เรีกยังไสี่สิตัวจากของยเรีนี่วะ <c oughs> สี่สิบตัวจากของยุเรียเข้ามอท้าสาว่าแปดสิบสาวพ่อแปดสิบเก็มีแนวหวังละบานเนี่ยพระพุทธเจ้ากับแปดสิบหนึง่งแม่ห้องกับแปดสิบหนึง่งพีสาวห้องกับแปดสิบหนึง่งคำมันแต่ว่าเงินมันกาดพุ่นแล้วคำน่ะเป็นข้อแรก ล, ละคำน่ะมัแนแะเว่ะ คามันคามันส่งมันก็ขาดเพราเขากบกลคามันสินมันก็ขาดเื่ากันมันก็ขาดตีนสินคามันเสือก็ขาดแขนขาดดาพอแห้งแหละคามันเหื่อคามันเหื่อกับเอาไม้ประทมันกับเบยุเอาซี่ปยามันกับเบยุให้ยิกมันกับเขา้งมองสันว่า มัดหวังนลมันหวังมีสีวิตเดียววิทมือเล้จังมาวิตโอ้ยขันตัว น, น่างอโมเ้าะงอโมเสาะว่ า, วาโอ้ยพอท่านตายเว้ยท่านก็ยกมือเสะหัวแบบกับกับซีวิตของโมเฮาเนี่ยว่าท่านโดนได้หายใจเข่าโมออกออก็บอกว่าตายหายใจหายใจออก หายออกลรวบ่กเข่าก็บอกว่าตายหายากเขาเราบอออกก็บอกว่าตายตายตามสมมตินั่นคือภาษาเขานะดีใสีภาษายกอารมหายใจอันบนหนึ่งกาเศ้าก็ตายหันตายหัวดังน่ะควาเกิดมำันมันว่าเศ้าเกิดหันเกิดหัวดังน่ะี่วาให้เห็นเป็นบุคคลาธิษฐานนั่นนั่นคืภาษานึงก็บยุทธะเราส่เขานี่เลย มจะกครบเมจักเขีย่ยบเมื่อจักอย่างเี้ยเท้นีพิพิาเนี่ับะจะกคบจักเขีย่ยบถ้าเนี่ยพิพานึงกับเรื่อ ง, ง, ง, ง, งผลร่างกายเท่านี้ได้ไหมนาผู้เขาผู้เขาแกผู้เขาเก็บผู้เขาตายบินจิ่งวัักรมาทั้งที่ทิศทุกอย่านะนี่โปรเทนตายจัทุติศานะ ผู้เขาแก่ผู้เขาเก็บผู้เขาตายจริงมะมาบดครัดอะไรทำทั้งขัวกัจริงมะบดเนี่ผู้เขาแก่เขาเก็บเขตายทั้งชายกัิงมาบดเนี่ยผู้เขาแก่ผู้เขาเก็บพ่อตายทั้งนาข้ิงมาบดเนี่ย้นี่ทั้งหลังก็จริงมาบดเนี่ยผู้เขาแก่ผู้เขาเก็บผู้เาขาตายเาลยไพ่อีกไหมโอ้โอ้มา่อนมามาแล้วผ่อนมามาอะไรอ่ะต่ออีก พิพาษาเนี่ยก็บวัน ห, ห้ามกันไปถิ่นป้าเนียอันนั้นเนีเาห้มมีโรคมีโกรธมีลงด้วยนั่นมันซาสันป้าเันืป้าซาสันเามีโรบมีโกรมีลงอยนะู่ละซาสันวมันเดี๋นนยนนห้ามกันมาถิ่นปาอยูว่วจังหวะเอนป้าซาสัหามไปเ้วห้าเวียนทำเนียมซาเมือออดราาเวีย น, นเวียนกองฟอนสามหอบเจ้ากอนจังเอาเวียนสามหอดไปจัเอาถึงกองฟ้อน นี่ไมยคว่ำวาขมูห้องยังไม่โรมมีโขดม่หลงสีแว่นตาแว่นเกิดยุ้งสีละวาสันเนาะฮะเนี่ยอานามกผ้าเไปล่างนานาซบเนี่ยขันจิตใจห้องวาใสคือนาบกผ้าเนี่ยห้องกระเที่มมาเกิดมาแกมาเกี่ยวมาตายยุ้งสีละวาสันเนาะอันช้าเนี้ยว้องเหล้าเมื่อรูดอนี่รหล่อหล่อสั้นเมืองบั่นง่อยบันกุศาของเฮ็ดยูแมนนาะเฮ็ดยูเนาะอือ ผู้ถ่ายแผนที่แบบหนึงพวกพวกมนุษย์ตื่นแทีแบบนึงปฏิกิา เ, เ, เขาพันไปนเห็ดเห้วไเห็ดเหีวใส้ลุ่มหันใช้บานอันเผาหันไปตัดเด็กันดีพึ่งขึ้นไปสวรรค์แล้วสัตว์ให้ตักันเหีอ่อนะทำเหยวพระเจ้าว่ะทำเยวทำเหียวเผาแผนทีน่ทแบบนึง กรรมฐานประเทศแบบนึงกรรมฐานกรรมฐานบริจูงศพกรรมฐานบระธิดงศพทานเนียวัดบ้านฮาเปัจจุบันพระอนุพระพุทธเจ้าถามพระอนุอนวดเลยมาั่นตรงที่แหน้าควงใจมือได้จักเถ้ามาสั่นมือแล้วลอยเถ้าขนลอยสั่นโอ้ยมันประมาณหลายอนุนเลย มันยังโมพ่อระพร้อมลบหายใจเขาออกก็โมประมานม่ห่อเนี่ยคำเพ่นคว่ตายแลยาติถึงเต็เสียเกียรติยงดญานิถโศกบ่ดีพระพุทธเจ้าับอกว่าแห่งเดมบุญร้ายมันสิได้เฝ้าทาบุญพระสัมมามันมันสิว่ได้น้อนใจพระสัาเมือเวลาคว่ตายมาถึงมันสิบ่ได้สะดุ้งพรมาผู้พิจารณาคว่ตายนีอันนี้ส่งมากพราสัมมาพระพุทธเจ้าม่ห่อคำพิจารณาคว่ำตายส่วนญาติถงกระิษญานิถโศกไส้บ่ดีเพราะว่า พระพุทธเจ้าพูบี่ยันน้าพวกายว่าประมาทซํำแล้วบอกนั like vocês, ่ถ่อมนุ่นห้ยใจเขาออกอุอานนุ่นแหงดีวะท่านเ็เพีบุญแล้วเพยบุญแล้วอุทิศท้าใตโลกทานบุญน้อยนึงอุทิศท้าใตโลกทานมันทีไดบะโงงวะท่านเ่ามันแห้งแต่หลายตัวอุานเลยว่านเขาไม่ท้าคักเสี้ยนึงเขาท่านแล้วถ้าไปอุทิศท้าไตโลกท่านมันเป็นของทิขึ้นครบปัดกันแล้วว่านพา่พระพุทธเจ้า บุญเ ท, ท right. right. ่าไหน้่อยหนึเท่าถ้าบุญนะท่าหนาเหมือนมีไปอุทิศท้าตรโลกธาตร์มันจะได้บุญหมานั่นเรื่มันแห้งได้หลายเลยพระพุทเจาเข้าเสมอหีิกุศลพลบุญอะไหเชื่ข่าพระเจ้าไดีทำแล้วก็ดีกำลังจะทำยกเกิดดีเดี๋ยวทำปรัฒนาก็ดีขาอุทิศลวงหนาวไทเนี่ยไล่ไป้าพปูถวดทัญาวดห้จากไร ตาสวดสัพพง่ายสวดสัพูสัพพยาสพตาสัพง่ายสัพพสัพมสพลูกสพยสพพหลานสัพพเลสัพหลอนสพพี่ชายสัพพพี่สาวสพน้องชายสพน้องสาวสพลูกชายสพพลูกสาวสพพหลามชายสพพหลามสาวสพพเลี้ชายสพเล้สาวสัพหลอนชายสพพหลอนสาวสัพพี่เคยสัพพพี่สะสพน้องเคยสพน้องสะใภ้สัพพลูกเขยสพพลูกสะใภยสัพพหลานเคยสพพหลานสะใภ้สะพพเลี้งเขยสัพพเ ทรัพยาเพจยิ่งทรัพยพเพจใช่รับย์อปราชการทับย์กรรว่าการการทรัพยาการทั้งหลกและทั้งถ้ำข้าจะขึ้นพิจารณาว่าห้าว่าจะขึ้นพิจารณากับผู้ที่มีวินยคล่องสิ่งแต่โรคธานุต้องได้รับสรอยตรวจสอบของผู้ขายอยู่ตรงเงาบนอยู่ประมาณกข่าเดือนผู้ขายอะไลึกใดลึกใดก็ดีว่าผู้ขายะรลึกใดลึกใดก็ดีผู้ขาขอเป็นไม่เป็ีนสาหัสทั้งไตโรคทาตุที่ตรงเบนอยู่ประมาณขอเปลี่ยนไม่เป็ยนสาหัสแต่กลาวเว้นไผยอยู่ตรงง แล้วขอขมาโทษต่อพไตโรกธาโยตุมะวมเมียปมาณแต่ภพ ก, กรศาสตร์กรเคยดะเป็ยนเวทเป็นไพ่มากระไรูกขาเอา้สิงางเทียงงานเที่ยงก็บอกว่าทุกศาสนาทั้งไตโรกธาตุงั้นรับามุดของขูข่าโยตุมะเน้อว่าประเทศได้กตริยลูกข่าอุทิศประเทศที่ือศาสสนาบ่ือกรตามตลอดทั้งทั้งไตโรกธาตุได้ก็ได้กษตริหนาที่ฝนตกกับตกตกกันจะต้องเอาก็ต้องเอาเป็นเรื่อ ง, ขอ ง, บบ ง, อ ง, งของฝนเลยเอนกัเททนเาะ พราะพระปฏิจาว่าแหงอุทิศหลายแหงแ้งหลหลายนี่กเสื้อทีมั <c oughs> นคือแนวอื่นเนแนวอื่ น, น, น, นเะาเออกหายพ้นมันหมดเน่อ่เอาอุทิกศุศล้นบุญหานี่มันหมดเปลยนนี่มันเปิดขึ้นมาเรื่อยอยูอย่คนนเดี๋ยวขาปฏิท่าห้าไมสนสมเดจยการให้ก้อนบุญทานาไม้นสมเด็จโยการให้ก้อนบุญก่อนอ่าท่านหนไมนสมเด็จโดยการบริจาคท่านศ <ille? S 1> ีลนไม้บนสมเด็จโดยการรักษาศีล ภาวนาไม่หมดทั้งเรื่อกการจะเริญภาวนาอภิจายะนะไมหมดทเรื่อการตัวคอชอนแก่ผู้ใหญ่เวียยะมันจะไม่หมดทั้งเรื่อกการเพื่คนไว้ในคิปที่ชอบปฏิทานไมหมดทงเรือการให้สรบุญคืออุทิศบุญนี่แหละปตานโมทนามหมดทั้เรื่อกการอนุโมทนาสรนบุญห้องมีจิ่งมีของอนุโมทนาหนําก็ดีหรือว่ามีจริงมีของห้องย่อเมื่อกระไรคือจังพวกนี่ถวายบางนึงห้องปเดยมีจิ่งมีของห้องกนึกไม่ไย่อเมื่อนำห้องกระไรบุญนำเพิ่ม มีแล้วก็ปัตานุโมทนาไม่แล้วปทัมมัดสวนะค์ไม่บรรเาเรจด้วยการฝั่งถ้ำนี่ก็ได้บุญอันหนึ่งเป็นบุญกองนึงธรรมเทศนาไม่บรรําเรจด้วยการแสดงถ้ำเขาสอนลูกสอนเต่าไหละข้อสัวพื้นข้อดีเป็นธรรมเทศนาไม่เลนี่ทาเรจด้วยการเทศนาเนี่ยเจ้าไปเฮ็ดทิงสัตวลูกเนยจะาไปเหลนเนี่มันจิบมันหายนี่ห้ลูกจะ่สุขีขาดทิงสันวนี่ยสนับไปจนถึงธรรมะของพระพุทธธรมประสงค์ดเมื่อว่าเ้าสอนค้อไหละข้อสัวพื้นขดีก็เรียกว่า ธรรมเทศนาไม่ ก, กุศลบนท่านเรียกตัวการสแรสดงธรรมทพธานังธรมมทานังสีณาติให้อันใดเป็นธรรมก็ไม่เท่าให้ทําเป็นให้ทําเป็นท่านให้เป็นว่าให้ทําเป็นท่านสรัทา่านทั้งปวงเนีเป็นห่วงวุฒธธิดาเพรเก่งว่าสิอปฏิบัติว่าสอดถ้ำผู้วดมาแล้วว่ามันจะเป็นห่วงไปแค่ท้ายหน้าอายุขัยกินผวดมาแล้ว ย่านพระทิวัดพระสอบท้ำทิศทุชูกรรมการท้ำความหายในตรงมีสิบประตูการใช้บุญย่างย่ อ, อมีสามท่านละไม่บุญคขเรียกรูการไม่จากท่านสีละไม้รักษาสินพาวน้ายางพิสดานมีสิบประเภทพขาทำใดทั้งนั้นข้นขีดจนกับทำใดโยบุญาพาะหน้าพุโทโธออกไรอยู่ ข้ามงเหนียงเขาก็ข้าววนนาปโต้ที่เขารักษาสินเอาอะไรอยูอ่ผู้ร่คมพนบอกว่ารักษาสินหาเรื่องศีได้กินยังนะสันอนานาจของในสินมันแห้งได้ไมันดูดมากเองมันรักษ า, า, า, กาสินสแล้วศีลกินยังนะสันถ้ามาทานแห้งเลยกินร้ายทรัพย์สิลเกิดมาหาเห่ากับนี่จะทัพย์เป็นเป็นม่วงพ้นแห้งเฉลิ่นทรัระบอบดึงดูดทรัพย์ภายนอกมาทำน บ, บอบอ น, น้สงศิล ก็าก็เ่าหาย ก, ก, ก, หก็ไฝก็เพาไข่มอดโนก็เพรไข่รักก็รู้ผู้มีทีนนมนะมองนว่าอับอายจมุกต่อมเลืกยกเลิกบ่าายกเลิกบ่ได้อับอายจมูกกับอุปมาคือทีมฟืนใช้ไฟแฉงกันนะโลกส ม, มัอนี้ของไฟของไฟสีแดงก็กันของไฟสีมี่สีเทาไรก็กันผู้ห่างผู้เมี่กับทีมโดนไม่คิดไ่ห่างใครเลยโ ด, ดนไม่แดงใครเลยแห้งทานหลาย ผู้อันผู้มีเงินหลายน่ะผู้มีทุนน้อยก็ทิ่มเกลียดใส่กันมาปั๊บบาดเยาะล่ะอันเดียวกันมันทีไรกอีย่งก็มีแต่ทิ่มฟุ่นใส่ไฟแข่งกันเที่แรกเอาโดนก้อนขึ้นมากมีแต่บ้นที่ไม้บัสเนี่ยร่องน้ามหาสมุทรที่แรกก็ร่องเพียงของเขาโดนมากกับเพียงขึงแขงโดนมากกับเพียงเออที่แรกก็ร่งเพียงของเขาโดนมากกับแอวลงมากกับพี่หดโดนมากกับพีดไงร่องตี่องหน้ามาก ถิ่มห่อแล้วย่อแล้วมันจะเริ่เพระพุทธเจ้าบอกเขามันแล้วเพราะว่าพุทธเจ้าถื่จนมุ่มันเดียวเนี่ยอืพุทธเจ้าสอนโลกจังว่าส่งพระนามมาโลกเขาไปทู่ไหมคำสอนใด้ได้มันก็ไร้ขืนเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาหมดเป็นเรื่องขืนของคำสอนพระพุทธศาสนาหมดน่ะคำสอนใด้ได้ก็ไร้เขียนทิศที่ไม่ละลานเป็นเรื่องขืนของทิศเหนือหมดแล้วเขียบที่ชั้นสูงเขียบที่ชั้งลึกกันน น้าของนองข้องบึงบางไรลงสูมหาสมุทรทะเลบ่มีความเป็นื่นโดยโบรู้ถั่วคาสอนใดนมันก็ไร ล, ลงซื้อคาสอนพระพุทธศาสนาโดยผูรู้ถั่วสงสารอันนี้นอัน น, นพระพุทธศานสนาสอนหมดละเอาเบื้องต้นพระพุทธศานสนาสอนที่ได้ทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มข้องโลกสองอยาง ว, าายาา ว, ว่าไงพวบระไอต่อบาปควกขวดต่อบาปจะคุ้มข้องโลกใด้างบ่มันลูกระเบิดปนมาน่งมุ่งมันลูกระเบิดนิงเครี้ยงถ้าบ่มีละไอต่อบาปบ่มีัวต่อบาปนะคุ้มข้องโลกใดอย่างไร ถ้คว่ำพิดในที่แกง้งวดอไก็ไปทาในที่รับนะพุทธ่นพุทธตรวจะวงจันได้เอไหนว่าของที่ขันโลกนี่มีสินหาวัดสุกคนในท่นสงฆ์าม่ไหจากพระจูได้สันเอาลักทกัพมาจากสยสันเอาทหารกับมช่มจากสันตำบวดและใช่ไหมจากสายสันเดี๋ยวในเนี่มูฮั่นเราบังหายไปดีนะมูฮั่นพวกยวนข้าเจ้าเศร้าลบสูขขาเจ้าอะไได้บัตรทหารขาเจ้าข่าลบไปซื้อด้พวกยวนข้าเจ้าเศ้าลบแล้วนี่ เนี่ยมด่าขาเจ้าว่าเห็นเถื่บานเนี่ยขาเจ้ารู้วแาเธอได้อาหารข้าเจ้าข้ารบเป็นเชื้อแล้อาหนเขาเจ้าเบื่ออารมณ์หรืขาเจ้าเศร้าขาเจ้าคิดว่าพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองขาเจ้าบาดจ้างสิไปขอขาเจ้ากินเด้อบานเนี่ยฉันถือผมยุ่งยากเก่งงอันนักเกางเก่งเอได้เพาท่านขาเจ้าได้ผมเวียดนามเนี่ย่าหนเขาเจ้าข้าวรบเยอะๆเนี่เขาเจ้าเบื่อหรข้าเจ้าเศร้าห ขาเจ้าเบื่อขาเจ้าเรขาเจ้าถึงมาพัฒนาประเทศชาแล้วนี่ยว่าท่านดาขาเจ้าหอกมูฮั่นถึงมูั่มาเตลิเลียดุงสว่าท่านดาขาเจ้าเละว่ท่านดากาขาเจ้าหรอกมูพ่อนเอาอะไรเนาะมาเนาะเอานาองไหนเนาะ ญาติอาวาณีวาปุระปเรปเรณติสาคารังเอวามีวิโตเทนังเปตานังโอปกะปิจิติจามุจิตต์ตุมาจิตตุมีวสุูตุจัเพรปเรณตุสังคปาจันโทปนะรถุยาสามนิโถติโตยาาจัพีตโยโยชัมมิสัพปุโคตุพุโยตุโลโกยนัตจตุมเทโวปนตรายโยติปิสิภายกูอะอภิวาตันิสันิจังวิทาปิจารยโรยัตารโลธรรมวัชันติปายวันูสุขังพระ พอยหนะ้าพอยหน้าคอ้ท exactly um ่านอาขคว้าเบาใจจังน้อยเลยอ้ท่านแม่ก็เสื่อมเสียหัวเงินเงินมันไ่ได้พอยหน้าอ้เจ้าติช็ดสี่ลาว่อขันไ่าม่อย่างยักษ์กระต่างเลยพอยหน้าไอ่าคอยวาดิีคอยวาดตีแค่นาบึ่งแค่เจ้าผมม่างแค่านาเจ้าไ่นเงินม่อยังยักษกระต่างเลยี่มืดบอดหลอดเลจ้าปรเฮ็ดอีกเรือพอยหน้าเลยไ่านปนเจ้บชิหาไปหมดมือห้องไ่น คอยอวดๆๆเก่าเสมอตะทู้ตะทู้จะปรดอีกต่อซื่ซืมเสีงหัวเดืารลบจะรุ่นมาการุ่นมากเลยคักปัญหอันนี้คือกันสื่อหมอวัสดุกตอตีน่ยอดเสียงหัวมันยอดนส่ยงหัวตัวนโอ้ยวาสดุนอ่านดูเลยวัสดุตีนั่นคอยข้อหวน็อตจอบอกว่าต้องคอยเคล็ดประสอนแดดดันอวนดีวิเศษเนี่ยว่าค่ะท่นคอยเข้าลบจงพุ่งนะพัวนี่ยวัสด เข้าเราปัดพอปัดแม่วกเราไวแล้วจ ะ, จะไปเห็ดนั้นสั่งร้อนว่าจะไปพิดใจณาว่าสิ่งนถ้ามันพอจะเลื่นว่สได้ได้อยู่เ้าสูเอาดีเอาดีขาเสียเลเอาดีขาเสือดีอยู่ถ<ม>้านี่เมียคู่สงนันทาเสียเเมืม่อเวลาเขาทำพิจใจโตแพ้งถ้ามัเขาดีก็าเก่า ทำพิจัตัวบวบวบมาทุ่มหายเอาดีเขาสู่เอนดีเนื่องจากไอ้ห้องเราเศ้ามากเราสู่ดีเขาบ่อยเราสุดไปให้แต่แห้งไปยังไงวราสัน้าบูดนาเราไปกันคากันหมดแล้วเราสู่ก้นงี่บ่อยเราสัใจอ่อนนําห้องขึ้นกันวราสมันจะไปได้บวบห้องหัจักก็เป็นบวบมันหัวจักก็เป็นพ่อบาดตัวครับหจักเป็นพ่อบาดตัวห้องก็จะบวกรู้ โอ้ผู้นั้นบอกโอ้ยเออเออเออเออเออเฮาวามั็นตเป็นลูกมันกับว่าเถอะเฮาวามันลูกมันโอ้เออเออเออไม่อยากเข้าชิบวอลก็สั่งให้ล้วนเรย อมอืมกเห็ดปลาเนี่ยก็ไ่ได้กินขี้ข้านว่าไรพุทธตาวิญญาณเถรน่งเอต้องเรื่องตงเรอง เขาคีม่เาทำงาหลวงปูแม่เออเออเออเข้าใจเข้าใจเล้ว่าเสียไหนงานว่าเสไดนก้นเดือนนาะจีนอ่เอาะหอยอันก้อนไตโตหอยไตพันไตเนาะว่าว่ไหวเนะเออคือเขาทำงานก็ตตังมีไตแม่หนูคือเขาสอบกัมีไตโตแม่หนอคสอที่สอบกับมีเอ้ไหว ขันว่าเฮียนกับพวกวไรขันเพชรดินขันพวกี้วันเห็ดท่นเพชรดินแคบแล้วขันเออเออท่านนากข่วงเลยท่านนายข่วงนะฮะคงไม่จะเคยเป็นแล้วมันหางเทียมันได้ขีตัวเขาได้เห็ดเ้มันบาเลยลูกหลานเฮ้ยไมยจะใหยเป็นหรอกท่านนา่วง เลยมากกว่านะมักว่านั้นเตมขนามาเทียวงกเลยมาเที hey? ่ยวแบบแบบถูกแล้วเนาะอแบบอือแบอืออือออ ปรทุกนครับนี่รทุกระทุกาะับรถใค่ขับนี่ห่มคนละันนี่รอมางันคนขับนครับขับรถนัลลงปูที่เจอมาเจอสีเอาบ่เจอบ่บบ่เฝ้าไหมหนึ่งยาสูดแคงทั้งพึงฝายสองอุบายอะมันสีปลอดไพ่อันนั่นอันนี้เจอรถนะบ่ ลูกใไหนไม่ใ่ปอดลอนั่นล่ะอันนี้เเจิมรถไเร่ว่าที่เจิมอะไรนี่เจมแล้วเจิมให้รเองล่ะเจิมรถหนึ่งยาสูกแกงทั้งพึงพายสองแขงทั้งปอดไัยนี่เรเจิมรถลูกใบไหนม่ใช่ลอดไผ่ล่ะอันนันล่ะอนี้อันบกว่านังสือตัวใหญ่อยู่้างนาเขาเลยาประมาทยอยู่างนาเขาตัวตัวตัวซึ่งแดงพอกระปัดปรากฏว่า ยาประมาณวระสั่นเขียนว่ายาประมาณเพราว่าคมันเพิมไปนะคำมันเพิ่มไปนะให้หายังแก้ให้หายังแก่คบมันเคิมไปพ น, ะนี่นี่อีกอยกพิเศษบ้างฮะถ้านังหมาเน่ถ้านั่งโนะตันะ่มันนษษั่งให้ไปสบโจงโง่ี่จะไปจะไปสาดเอ๊ะต้งสี่จะไปเหยีบมันบาปจะไปสาดมันเออาะนี่ครับอันนึงฮน ข้าวไปแซงเขาน่ยไปแซงบัคขีเรามันมุ่ยย่อมันเข้าอุปกรณเนีเข้าเข้าแรนลอยมันก็อยขึนกันแรงลอยเศร้ามันก็เศร้าลอยสามสิบันก็สามสิบพกันว่ามันถนนเท่าสองคนเท่านั้นในนึงข้ากัมุ่ยจะคึ้งกันย้อนเข้ามาแลยเท่านั้นเลยซี้หาหน้าที่เขาก็้ามาแล้วก็เพ่งเลยท่านนี้มากกับเพงเละไปถือบัคคีเราม่ยอมันเข้าอุปกรเน่ยไปแซงมุ่ยจำเป็นคำนันว่าั่นถือบอกมันมีมณญาตดีมันเห็นเท่าสี่จะไปได้มันก็เห็นได้ที่ที่พอไปเยอ่อ่ะนะ ไปทางไกลไปทางไกลเขาขอขืนรถะใช่ข้นพวกหจับกันหจับนคนพอ ข, ขอขืนรถย้า้ขืนโอ้ยดวนครับดวนหลายขับมาสิยิ้มถ้เขาจะสุภาษณ์นาบูดสุเาษณ์นาบูดเขายิ่งรถเขายิ่งรลอร ถ, ร ถ, รถ คนชาติสามแยก4แี่ยเบื้องใครมนคักว่าเป็นดาวิดจะไปสามแยกเสี่ยเข้ายู่งางจับตาว่าเขาไปยู่งางเอกเวลาเข้าสิตพันรรว้างให้มาดีนี่เขาไปสนกันแล้วนั่นปากกามันพลิกไปไช้กระไรนี่พิกไปใส้กระไรเขาเป็นเขามัน้นเข้าถี่เขากพริกไปกระไรอยู่เพราะเงินทั้งหลายได้รายเขาก็ไปท่านั้น อย่านบอกอ๋อสำนในบ้านในเมืองครัเขาบัดิีออกบ้านนา้ำจะก่อยเรียนวาวเด้อระวังอะได้วยเด้อเฮ้บอ่อระวังสดีจขวาวเพราอยไม่พ้นเป็นท้ำเป็นทํำกรไดเงี้ยหลายเลนะอขาเขาอัอัน ขาหลวงมาเลย่าวานวกกนคนมาคนมาไปจังหวัดปังนามาจากจังหวัดปังเอาแล้วเขาก็บอกว่าให้มาหาหลวงปู่ะ่าเป็เพื่นก้าวเพื่นก้าวเข้าับบอกกับเพื่อนบอกแล้วเเาทุกวันน yes, ี้ก็มันเต็มทีคนทุกคนจนอันไหนก็สงวนหมดนช่งสงวนหแล้วคนทุกคนจนสงวนหรือไม่เอวาช่ ป้าสงวนหมดหรืออันัสงวนหมดสวรวัดทาอะไรก็เพื่อรัฐทาอะไรเพื่อทาเพื่อประชาชนมีไหมวะอะไรก็ทาเพื่อรัฐอะไรก็ทำเพื่อรัฐอี่เขาบุเต็มแล้วสิบอกนะเพื่อนคนก็ถื้ตัวได้คนบอกคน้าคนบอกถึงคนโอนมาทางพระพุทธศาสนาอยู่เยมาจากจังหวัดพังงาพขเคยไปอยุจังหวัดพังงาด้วสามปีด้วยุเก็พงาอายุครลงกรุเทพลรุเทพท่าไปเขาัน คือรอเกาทุ่สองเรต้องไปเกาที่หัวเข้าก็เกินมากไปใส่กำนักคนละสามปีนี่ประวัติมั่วตัวนยอ่านยุ้ยตัวเห็นยุ้ยตัวอ่านอ่านสุดบ่เลยแต่าขาขางานมาหลายวอ ถ้าเราจะขายได้ขวดละล้านบาทก็จะขายคนบักขีเราเมื่อไอไม่ผมจินอีกนะคันม้าเหรอะย่านเม่ไรบ้างเงินผมจะเอามารอกเพราะว่าถ้าประสาทจะอยเราเราเร่งนมื่อไรค้นขีเราเป็นนี่เนี่เออข่ายยุ่เนี่ยข่ายยุ่งข่ายยุ่ขายอะไรเรื่องเงินร่ย่งลงชุนหลายอยู่สันตุลนับเป็นล้านหมดแล้ว เออเออขายดีดีแล้วกขอมอบกายถวายที่เป็นต่อพุทธพระธทรมประสงค์อยู่ตรงเงาบ่มีประมังนี่หลักขายดีเพราะติดทาเป็นทาเพราะพทพระธทําประสงค์อยู่ตรงเงวบ่มีประมางขอให้พระพุทธขอทูลถวายสักคนละกาย แล้ว่าาจและใจเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่สมบัติผ้านสมบัติบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ู่สุขนาบมีกระมาณขอทูนถวายสักกระไายว่าจายใจเนี่ยเห็พระพุทธพระธมประสงค์ขี่รถเหงารถหยับยมชนไร้ข้าวหนูยื้อไปอยู่ทุกเมืองทุกยน่ามุมมุนีกระมาดนี่หละนี่หละาบนี่แหละาบชิ้อื่นมันดึงมาเองฐนนีอปานนั่นลาบพุทธาบธรรมราบสังขราบมันดึงมาเองมั่นนี่มหาเสน่ ดึงมาเองมันแ ล, ะะล้วก็ลอกฟูกอะไรเฮ็ดยังเราโมตัวมาใหาเ้เฮ็ังสั่งเงินน่ยันเดียวกันแลวเออฟ้าฮะตัวธรวมโอตะโกเป็นชุกเป็นทุกเป็นชุกว่าเราห้ามภาคมหามานนอนนะาผักนะกางบมันบ่บพอเป็นอันตราวะอย่างนั้นเาะ้าเขาบอาเปียกกะระอกที่อย่านี้ อันม้นแดงอันม้นแดงชมเลท่ะม้วนแดงหน่อยว่ายังอยู่บนเื่บายน่าปวดไน่าจะเอาฟอแขวและแข็งไ่าค่อยแเ็นาจะเอาแข็งงหล่โอ้เป็นคนสนใจตือเนาะโอะไรเนาะนกจนพวมาถามเลยโยมหนักคนีว่ามาถามพ่อเมีคนสนใจน โตบางเือดแล้วฟ oh ังหมดดีดีดีแล้ว่างออกน่ลองถามปานี่แหะคุคนสนใจมาอยู่ถามปานี่เลยคนใจคนสนใจทรรมาอะไรเกิดอยู่เพอขโมยขโมยหน้าในสันนี้อ่นพวกป้านามันก็มีได้สั่นชิ้นก็มีไ้สั่นสคสิ่งก็ไสันกรเป็นยไ มันขาดเองนาดกรามกุญชกาก็มันจะทนก็มันจะเป็นโทษซากเพาะมันเชื้อไม่ได้ะป่าควบสองมันก็มันจะโทษซามันวัได้ตากรามมันล้มของมันมันวัได้ตาควบมาของมันขมากรมมันขาดล้กโซฟามดขาดมันขาดทีพองครับชนโมหันบ่ตาขาดแล้วโซฟาขาดแล้วยังมขามขาดโมหะโมหะน่าอยากที่บุดโะอัน อง่านน่ั่งฆ่าาดาาเยอที่สุดิตตกอนนนะเยที่สุดนต้องขั้นข้ต้องขั้นส่วนี่มันกนายอที่สุดนี่ก็อีย่างวไวหนึ่งจะคิยอะไรเยอที่สุดตัวนึงจะคิดข้อข้าหน้าขนีคือเร่องน้ำฝนคิดว่ตัวแต้นกัน ที่ของพระน่าข้ามีสีของอาลัตตะมัดตอนอาละัตตะฝนขาดไปแล้วตอหลงขาดตัวัดอาลัตตะมัดมัดยังกลุ่มยังกลุ่มจับสินขอานี้พูดเดีวก็เขาทัตัวเดียวก็เขาพูดเดี๋ยวก็เขาทันตัวเสมอเขาพูดเดี๋ยวกาเขาทันตัวเสมอเขา ท็า่อ้ามขั้นอ่าเป็นผู้ที่เขาข้ามจุดเดียวก็เขาเป็นูเดียวกาเขาก็ข้ามจุดเดียวก็เขาผูเรียวเขาขํามตัดเดียวก็เข้าผู้เดียวกเขาข้ามจุดเดียวกเขานี่ยก็เ้าเนียกน้วุทานข้ามจุดไหนแต่็นผิุอย่างนี้านแล้วกเนี่ยเขาบอกเป็นถ้ำอย่กระลับเหมือนกบ่รับเขาอ่ะน สีทุกสิเนียหมาว่าว่าคาทัดเป็นบาปเพรนข้มบอกของเขามปนจริงเขาฉีละว่าอะไรกระสาเขาบอกเยวเปียกๆเขายังเขาจะไปเอาเปียกกองสั้นากละละว่าอะไรจะเคลียร์ดอกต่างวัวหัวจะกระละหัวมเนกระละว่าอะไรเราว่าสังเกว่ารณกยากชิดีเองเขาเห็นเป็นเหตุเป็นตัวตัวนันนอะไรไอ้สิเราครับหัวมันละว่าอะไรเราว่ ก็ร so ้างหัวมันเนาะมันเนาอะไรสิมันหนักมันอะไรก็ข้าหอมกระถามันมันเป็นถังมันห้องกระเด็นอยูแล้วแล้วสั่งขาวของบางคนไปเช็คได้สั่งพูดให้มาบอกพลานหงาวอ่นห้องออนสิไปก็ชิมได้เขาห้ส่ข้าวหอมมันเลยกว่าสียง่อคนอ่อนมันเป็นถั่มมันก็ไป็นถ่มเนี่ยว่าอันใ่ไมปกติจะเป็นถ่มกับห่อเขาเป็นห้องอ่อนใช่่ แต่ว่าคื เ, เขีนว่าพาบพัก็รเกศเขาหลอกเพ่งเยินเขาตอกเขาเขาหลอกเพ่งี้ยามดอก บ, บัวย่มันโสนมันบาดย่มันแรงมันเหี่ยวาเขาหลอกเพ่งพเง่นพระตกคนไปน้องนุ่งใสใจรัลคเรืคนถูกนียเอกระาวว่ามันได้จะบอกวาัเขาถูกเ ด, ด็นวาร้เนี่ยโอ้เดินมา อันนี้จังสักเขาว่าเนี่ยโอ้ยกระหล่อมว่ามันกระตอมเขาเลยบางีจะหอกเท่ใช่อันี้จังนะมันใช่แต่ยังเป็นน่ยเหน่อเป็นไม้ทราบผลผปะกอบเกเาลเาทงบุญทยั้่ากทงเก็บข้ามาทีคนนอนะเนคน ก็ว่าจะท้อแล้วเพราะคนนึ่งนี่อมิตรคนหนวะนี่อมิตรคมันว่าอะไราเาก็ยอมแน่นอนเพระคนนึ่งไม่ไ้เี่มันขีมีักท่าซันแ่ยังยอมแน่นอนเพราะคนนึ่งไม่้าคนนึงกัท่มีอมิตรเนี่ยแต่กับอมิตรก็บพมีเครื่องแต่พมีคนเนี่ยอมิตรไมมีคนได้สักท่าแล้วสั่งแต่จะคายนมอ่อนาเอาแต่ละเปิ้ลจนเสร็ การกีฬาใช่ไหมครับจิ๋มจิ๋มมนีกนิเขาเนี่ยมูดี๋ยไม่อการจ้เขาทำอะไรกันเขาจะมูนทั้นหละมูนกันจำแม่นี่ยเราเป็นการเอาเปรียบเันไปการเอาเปรียบแต่หางได้อยู่แหละบุญถ้่ได้ร้ายได้อยแหละพอ่าเข้ามาขีึงเนี่ยเมื่อทตาคนฟรอยดีมากกว่อื่นได้ดีนะเมื่อที่ตาคงฟรอยดีมากกว่าอื่นได้ดีตอนนี้ ก็คิดมกาจริงดีส่วนที่บางที่บเรื่องที่วาจว่าเราเขากาม่หกต้องหลอกไม่หลอสีเนพวกพวทดซีกว่าทังท้องเอีว่า ปรเทศต่างเพราะว่าตัวสกต่างไอ้ประเทศตางพวกนี้เนี่าวบาทังประเทที่ว่าเรื่อเกิดเกิกเบาเลแสดงหาแลดงหาไอ้สองข้างหน่งก้อนก็คข้างหนึงชิดท่านมากถูกไหมแสดงมาแสดหาที่เกิดทุกกับมันงเพเบาแล้วก่อเขาไม่นักโทษเคือที่บ่อไหใส่สูใส่กวน ครอบคุอในางิวรบอทุกการตวอย่ากอยาองางทุก่างทอกอย้างทุอยกอกางทุกอยอาทุ่างท่ยาทก่างทุกากอางทุ่างท่ทุ่าุกอยุ่อางทุกอองทุย่า่อย่างทุกอย่งกอยาอยกอ่าอย่างทอยุอกงอย่างทุ้อยกอุกอย่าอาาอยก พีน้าทาน้าเหว่มาเนี่ยกเียีบอกว่อกได้วุนดอกกเขาไปะูลกนมีอยู่มีน้ำทำน้ำเห่แล้วตกมาน้องเขาเวุฒเทวดาส่เขาปสิงมีอยู่เ่อดาต่งเป็นสิเขาก็มีอยู่้าพี่สิงเจ้าพี่สิงมี่อยู่านี่พูดตีเห็ดกับม right. ันมี่อย so uh ู่เ้าน yes, ี่ผู้เห็ดจริงพูดเห็จริงก็บ่ัมีอยู่แต่ลอาคือพวกศิรักนะพวกรักจริงก็บมี่พวกวอรักจริงก็บมี่หลว่อันว่า ที่ปอมันคือถิ่นตาบูล่าคนมีอยู่แต่ว่าห่างเป็นตัวน้อยนะฮะแนวเรื่องฮะใส่กันเป็นตัวมากเพราะเนี่ยเพราะถ้าท่าไหร่เนี่ยเขามีตัวตัดต้นงอกยอดไรสีอะไรสีเข้าติดสูบตัวตัดต้นงอกยอดไร้เออติดสูบอะไรเค่าติดสีมากเลยสีมาเข้า เมื่อในวาผเลิรอระเมียเดขาเลือกให้กินชิ้คืองนั่นเจรนาบคุณั้งใจมากินหรือเปล่ารนาบไหมช้ไม่ได้เป็นเพรผีกินไม่ใช่ชิ้กินนะครับเป็นเามีได้เนี่ยชิ้อ่อนเคลื่อค่อนสีสีหมาหัวย่งมาท่านในพระโสดาบันแต่ในพระโสดาบันเราผีเขาือเขาว่า เออบ้าพวกขวดนะครับขวดใยม่ก็เพี่งหน่อยนะฮะข้าวว่าพยายามมันงก็คืเข้าวพยายามนะข้าวว่าไปเยี่ยมข้าว่ไปสู่มั่มันคือเพราะมหาห้องจำลองเพราะสองลำก่แสดงคนาะไร้แสดงขรอบคราบกมั่งตม้าไป Girls, il, ก้อนดูดูเหมกันมันโมงเงี้ยก้นดูดูเมือนันโมงเงี้ยแต่ไม่ายแต่หายเขาจเริ่มถือกันเ้าก็มีั้้า่ได้ไปไ้ันค่อามาเป็นกรอย้ามาเป็นกรกมาออย่าง เข้าสปตงเขก้อนขามเขาบ่เคยไปข้ามเขาไปตกรอนเขาจะมากอไปเข้าบาราบกเขาน่ยกะก้อเนี่ยคือเข้ามาเขามาสวดตีเข้าไหนเนี่ย่วดกันนะเข้าบฏิเนี่ยมันตอะไบ่เขาป้อยกคือบอกนึ้มาสวนทามันยัก็เข้าาเขายากนะเข้ปิเขาอีบอ อ้ยบอกว่าเอาเดวพอเห็นก็จะมีความเป็อยู่เนี่ยเลม้องติกิจโอ้ยบางคนดูดู่อนตัวดเายอเยขาเห็นมันตดอมอ้ยเจ้าสนักเกิวดนี่ยตัวากอ คนจีนสาน้ตา้าน่ก็านคเทท่ที่เทีที่เทเีท่เเียว่ทเีทีเี่ยว่ทเยว่ท่่วี่ทททวเย่ พูดยงถืวว่าพูดส so ัตว่ผสมแลกับพู้ถืออันนั้นด้ไหมุ่นใจนะพถามมันจะพักัเพาะู่ดถือว่าพูดว่าสัตว์ผสกับสัตว์ผมันไ่ได้เกี่ยวเลยตองป็นอนยึดสายชี้เองด้นะยึดทกันเพว่ายึดทำเพระเถาเปลนหัใส่หัวมันน่าอสัญหาวันมันกัเห็ดงูกับงูมหาอีกนี่หละมหากับปลายวะอย่างนี้เปลี่นพรา่หวมันน่าอสัญหามันก็เสียดายแต่ถโดนเ้ียมัู เขาว่ากยได้ด <rahat> <ấy> ้วยเหรออืมฉั่ช้านี่เขาเขาป่านแรงแดเขากันไว้อ้อมอ้อมใว้ผ่านแดดกันไว้เขาไปนอนที่ไตเงือกเนี่ยเขาไปบวกหลวงพันธอ่ะบวชที่ีนะซึ่งบวชที่เขาบอกไปแล้วเจ้าห้าเขาอยู่หันเขเห็นไครไปที่แดดหรอกเขาไปบวกหลวงพันธ์เขาคือสบไยเป็นเวลยน่ะคือถี่ถ้าสองเซสก็ไปน่ะ ถ้าว่าเขาธ <enne ben> รรมดานี่เนี่ยถ้าว่า่าเาธรรมดาเฟเมตตาพุทโธพุ่ธนี่ยเฟเมตตาพุทโธ่เฟเมตตามันธ้ามะเนี่ยอันหนึ่งเมื่อไห้าขอได้ขอเรื่องอะไรอยู่ในความพุทธทางสัตวารรนธรรมังทต้องการพิโากย์พยังวา็ยังเส่าไว้ถ้าพิจารณาวาลงห้างโซ่นเหตุสติสิเธอเข้าไปในป่าก็ดีเธอไปอยู่ที่เรือนวลางป่าก็ดีเมื่อเธอทั้งหลายเลือกลัวเธอทั้งหลายจึงไม่เลืกถึง พระพุทธเมื่อเริ่ดถึงพระพุทธยังไม่หายเธอทั้งหลายตรงเริถึงพระธรรมหรือหรือถึงพระพุทธหรือึกถึงพระธรรมหรือเริ่ดถึงพระสงอันใดอันหนึ่งนับแต่ช่วงเจตนโนเป็นไปกองพัวของเธอกาจะหายไปใคทั้งหลายก็จะเกิดก็บพวกเธอคนนี้น่าเห็นชะตรีติในใจักกระดูดเรื่องางเรื่อางสันต์างข้นบางขันจะติดตัอย่างว่าจะต่างว่าเรื่องส่วนี้ก็ต้ เมื่อแล้วถึงเขาพูาสามประทรวงอยู่อันใดอันหนึ่งใครทางรัฐจะสนมจมากหือแล้วจะไม่มีเหตุด้วยยังไรจะเคยเป็นกันมาตราสักร่อนเกียวกับภาษีอ่ะอันทีน่ว่าอันกอ่อไม่หกนี่ อะไรนะกรรมล่างอะไรนะนี่เป็นธรรมเนียมของศาสตร์ล่างกรรได้ก็ไม่ต้องพรารหันคนเดียวเน่าข้อศิกรรมไปแต่มันถึงไ่ได้มงกต่ถึงพูดที่ชนะกรรได้ก็ไม่ต้องพรารหแต่คเดียวมันตามไปถึงมันก็ไปหอดฟอดที่น่านทางกลาเ น, นี่ยเป็นข้ิกรรกให้คนําเลแล่คนําเลแล้ว เออไม่ใช่คำเก่าเหรพจนัคำใหม่พนภาษาองงัอเนี่ยก็จะวรนกรรมพจน์ภาษาองอรันนี้คตรตะกะั่มพจน์ภาษาอังร์่ใช่คเก่ากันตามไปทงตามไปทั้งหมดแต่ความที่ห่างๆแต่อุปม า, า ค, ามมคือสงขัดน่ยถ้าไพ่ที่มันทำเนีน่มันขาดโซ่ทิ ม, น, ทม น, น่ยเาคิดว่าเขาบริิทิเลยสงขาด